เราก็ได้สวดบทธรรมะอารวะทิคาธาคาทายโยนะคือเป็นบทที่เราได้พิจารณาเลยว่ามนุษย์ที่ประเส ร, ริฐที่สุดนะอย่างพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะพระองค์ใดก็แล้วแต่หมาความว่าพระพุทธเจ้าในปัจจุบันหลวงพ่อพระพุทธเจ้าในอดีตหรือว่าพระพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะ สิ่งที่นะพระ อ, องค์เคารพบสูงสุดก็คือพระธรรมนะพระธรรมไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดก็เป็นที่เคารพบของของพระพุทธเจ้าทุกพระ อ, องคนะ์เพราะว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งที่อืประเสริฐสูงสุดก็ว่าไดนะ้เพราะว่าคืออะไ ร, ระธรรมะคือความความจริงแท้นะ คือกฎนะของธรรมชาตินะ่ะทีนะ่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงมันเป็นแบบมันเป็นอยู่ของมันแบบนั้นเยนะไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาประสูตรมาตัสรู้หรือไมนะ่หรือว่าพระพุทธเจ้าปฏินญาพานนะไปแล้วนะธรรมะก็ยังเป็นสากลอยู่เช่นนั้นอันนี้เลยพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นผู้ที่เคารพรธรรมเนะี่ย สูงสุดเลยนะแล้วก็ธรรมะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่จำกัดการนะถ้าเราเข้าใจไม่จำกัดการก็คือว่ามันก็เป็นอยู่ของมันแบบนั้นนะตลอดไปอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันก็ไม่จำกัดการก็คือเราปฏิบัติธรรมเมื่อไร่นะเราก็ได้ผลเมื่อนั้นเหมือนกันนะ คือไม่แล้วก็ไม่จํากัดการว่าคือเราก็สามารถทําได้ทุกเวลาด้วยนะไม่ใช่ว่าทําได้แต่เฉพาะตอนที่เราอยู่ที่วัดหรือว่าตอนที่เราปฏิบัติในรูปแบบนะแต่ธรรมะที่ไม่จํากัดการก็คือว่าเราสามารถปฏิบัติทำได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสนะ ทุกสถานการณ์นี้มันก็เลยเป็นอาการิทโกนะเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเรานะนะเวลาเราพบเจอเรื่องราวต่างๆเนะี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องด้วยสติด้วยปัญญานะมันก็จะเป็นตัวน้อมเข้ามาเข้ามาหาเราเนะี่ยเข้ามาเตือนเราเนะี่ยอยู่เสมอ เช่นเราเห็นคนอื่นตอนนี้นะที่เขาเขาเจ็บหนั ก, น, กนะหรือว่าเขาเสียชีวิตไปเนะี่ยมันก็เป็นการน้อมเตือนตัวเรานะให้เออวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแบบนั้นบ้างนะเราเห็นเขาเป็นเขาป่วยหนักแล้วเขาทุกข์ใจหรือเราเห็นบางคนป่วยหนักแล้วเขาไม่ทุกข์ใจเนะี่ย เราก็มาน้อมเตือนว่าเหตุอะไรทำให้เขาเป็นเช่นนั้นอย่างเช่นคนส่วนใหญ่เวลาป่วยหนักใช่ไหมก็ก็มีความกังวลมีความทุกข์ใจมีความเครียดนะมีความกลัวตายนะมีความกลัวที่จะไม่หายเราก็เห็นนะเออเหตุจริงๆก็คือว่าเขาไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจไว้ก่อนนะหรือว่า บางคนอาจจะเคยฝึกอยู่บ้างแต่ก็ยังฝึกยังไม่พอนะพอเจอปัญหาพอเจอความทุกข์หนักๆมันก็เลยยังรับมือกับมันไม่ไดนะ้แต่บางคนพอเวลาเขาป่วยหนักๆเขาใกล้จะตายบางคนเขาก็ยังมีความสงบอยู่ยังมีความเรียกว่าปล่อยวางได้เนะี่ย แล้วก็น้องเข้าไปดูว่าอ๋อที่จริงที่เขาสงบเช่นนี้เนะี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขามีการเตรียมตัวเตรียมใจมามากมายนะมีการฝึกนะฝึกฝนจิตใจมีการทำหน้าที่ต่างๆอย่างสมบูรณ์แล้วนะเมื่อถึงคาวที่เจ็บหนักเมื่อถึงคาที่ใกล้จะตายก็ก็เลย ไม่ดินดน้นรนไม่ทุกร้อนเนี่ยก็ทุกแต่ทางด้านร่างกายนะแต่จิตใจก็ดูดูสงบแล้วก็ไม่ทุกเนี่ยเราก็เห็นเนอเราก็แยกแยะได้ว่าเหตุปัจจัยอะไรที่มันส่งผลให้เขาเป็นเช่นนั้นมันก็ย้อนเข้ามาดูตัวเราด้วยว่าแล้วเหตุปัจจัยเหล่านั้ น, นเราทําด้านไหนน เรามีการเตรียมตัวเตรียมใจมากน้อยสักเท่าใ่แล้วนะเราพร้อมที่จะเผชิญหน้าถ้าถึงคราวที่เจ็บตักหนั ก, ห, นกหรือขราวที่ใกล้จะตายเรามีความพร้อมเท่าใดแล้วนะไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นเรื่องเตือนเตือนเราว่าเราได้ทำเหตุมากน้อยเท่าไหร่แล้วเพราะว่า บางทีความเจ็บหรือความตายเนาะมันจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าบางทีอยู่ในดีนะบางทีเราทำการทำงานก็อาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุก็ได้หรือว่าเราเดินอย่างเช่นอย่างผู้อาจารย์ฉัดเนี่ยนะก็แต่ก่อนก็เป็นปกติดีพอประสบอุบัติเหตุก็สมองนะเนื้อสมองก็หายไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะ ก็เจอความทุกข์ของร่างกายนะแต่ถ้าใจที่พอช่วยช่วยฝึกได้ดีระดับหนึ่งเนี่ยก็ก็สามารถช่วยให้ร่างกายฟื้นหรือว่าช่วยในการดึงดึงบุคคลเข้ามาช่วยเหลือท่านนะได้มากขึ้นอันนี้คือบางทีอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นเนาะในการทำงานก็ดีหรือว่าในการเดินทางก็ดี หรืออาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละแต่มันซ่อนไว้นะซ่อนไว้ยังไม่ยังไม่ปรากฏนะปรากฏทีทีก็หนักไปเลยอย่านะี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้นะอัน น, นี้เราก็ต้องเตือนใช่ว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่จะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็พิจารณาดูตรงนี้เราก็จะได้เตรียมพร้อมนะ เตรียมพร้อมนะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะธรรมะนี่ก็สามารถเตรียมพร้อมได้ทั้งทั้งส่วนที่เป็นภายนอกแล้วก็ส่วนที่เป็นภายในนะนะอย่างบางคนเป็นคารวานะบางทีก็ต้องเตรียมพร้อมทั้งส่วนของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าค่าใช้จ่านยะเวลาเราต้อง เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลหรือว่าเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในยามแก่เท่าชาราที่เราอาจจะช่วยตัวเองได้น้อยลงนะหรือบางครั้งอาจจะช่วยตัวตัวเองไม่ ไ, มไดนะ้การมีทรัพย์สินเงินทองมีดักทรัพยนะ์ก็อาจจะทำให้เราก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นในการที่นะจ้างคนช่วยดูแล อันนี้ก็มันก็เป็นการเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งนะแต่คนส่วนใหญ่ทั้งโลกก็เป็นเน้นแต่เตรียมพร้อมเฉพาะข้อนี้ข้อเดียวนะจะลืมเตรียมพร้อมข้ออื่นๆไปเองเนมะื่อคนคิดว่าต้องหาเงินเยอะจะได้เอาไปใช้รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในวิธีการที่ดีที่สุดต้องทําประกันชีวิตประกันสุขภาพนะจะได้ เอาไปใช้จ่ายให้มันเพียงพอซึ่งถ้าเราสามารถทำได้ก็ทำนะแต่แต่อย่าไปคิดว่า น, นั้นคือการเตรียมพร้อมเพียงแค่อย่างเดียวนะมันเป็นแค่อย่างหนึ่งที่เราก็ควรทำตามตามกำลังที่เราทำได้นะแต่ก็อย่าไปหมกมุ่นกับตรงนั้นมากเกินไปกนะ็แต่ก็ควรเตรียมพร้อมไว้ในระดับใดระดับหนึ่งนะ แต่มันก็มีการเตรียมพร้อมที่ที่เราควรที่จะทำมากขึ้นนะคือการที่เราทำดีนะกับคนอื่นนะเราช่วยเหลือคนอื่นนะเราทาเราเป็นมิตรเป็นการมิตรกับผู้คนที่เราเกี่ยวข้องด้วยนะั่นแหะที่จริงมันก็เป็นการเตรียมพร้อมโดยที่แต่เราไม่ต้องไปเรียกร้องการตอบแทนกับใครนะ เหมือนอยังมีอย่างเหตุการณ์เนาะบางทีอย่างชนระบทตรงนี้บางทีเพื่อนบ้านเนะี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะเวลาเราไม่อยู่บ้านก็ฝากกันดูแลบ้านกันนะโจรขโมยก็ไม่กล้าขึ้นหรือว่าเมื่อมีเหตุอะไรก็ไม่สบายเพื่อนบ้านก็ช่วยเหลือกันได้แต่บางคนน ไม่ได้เป็นมิตรกับใครไม่ไม่อยากสัมพันธ์อะไรกับใครนะเมื่อเกิดมีภัยคุกคามก็มาคนอื่นเขาก็ไม่ดูไม่ดูดำดูดีเราเหมือนกันนะอันนี้เพราะว่าเราไม่เคยที่จะช่วยเหลือใครเราไม่เคยที่จะเอื้อเฟื้อต่อใครนะมันก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะนะกฎแห่งกรรมคือในเมื่อเราทํากรรมเช่นนี้นะก็คือ การไม่กระทำกรรมดีนั่นแหละนะมันก็ผลดีมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเองนะอันนี้คือการการทำดีกับคนอื่นนะให้มากๆกนะการช่วยเหลือคนอื่นให้มากๆเนี่ยมันก็เป็นการเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งเนะมื่อถึงขราวมีปัญหาเมื่อถึงขราววิกฤตของชีวิตก็มีคนอื่นมาช่วยเยอะอย่างในสมัยพุทธกาล ก็อนามิณฑกาศเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีที่ร่ํารวยมากแล้วก็อุปถากคพระพุทธเจ้านะแล้วก็ทําบุญทุกวันนะแกกทานทุกวันดูแลพระสงฆ์ดูสร้างวัดสร้างวาแม้ขนาดเป็นคนที่รวยอยู่แล้วแล้วก็ทําบุญอยู่แล้วนะแต่บางทีมันก็มีกรรมเก่านะกรรมเก่าเข้ามาทําให้เรียกว่าธุรกิจ เงินิญญาณเนาะเพราะว่ามีไฟไหม้นะแล้วก็ทรัพย์สินเงินทองก็สูญหายไปหมดเลยถึงข่าวยากจนนะแต่ด้วยกรรมดีที่ทำไว้กับคนอื่นมากช่วยเหลือคนอื่นมากก็มีเพื่อนเศรษฐีนะเอาเงินเอาทองมาให้หยิบยืมมาลงทุนใหม่มาสร้างฐานะใหม่ไม่นานก็ด้วยความ ด้วยความที่มีคนช่วยเหลือด้วยความปยันด้วยความดีของตัวเองก็พลิกฟื้นให้กลับมาเป็นเศรษฐีได้อีกครั้งหนึ่งแต่ก็คือมันก็เห็นว่าเนี่ยพอเมื่อเมื่อเป็นคนดีเมื่อช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆนะก็เมื่อถึงข่าวลำบากถึงขาวทุกข์ยากนะก็มีคนมาช่วยเหลือเรานะตักขึ้นมาอันนี้คืออย่างที่สอนนะ ระดับที่สามถ้าเราทําให้ดีขึ้นไปอีกขึ้นก็คือว่าเราก็ทําดีกับอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนะี่ยเอเป็นประโยชน์ต่อโลกเนะี่ยมันก็มีการชื่นชมเนะี่ที่ที่กว้างขวางขึ้นแต่จริงเราไม่ได้ทำเพื่อหวังความชื่นชมหรอกนะที่จริงจุดหลักๆ ก, ก็คือว่า ในเมื่อเราเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์เราสามารถทำได้เนะี่ยเราก็ควรทำอะนะให้กับโลกใบนี้นะอย่างบางคนกนะ็ก็มีการชิ้นชมกันนะเพราะปลูกต้นไม้นะทุกวันนะปลูกต้นไม้เรียกว่าเป็นกิจวัตนะรปลูกไม่ใช่ปลูกเฉพาะในที่ของตัวเองนะ ที่สาธานะที่อื่นตรงไหนว่างก็ปลูกสุดท้ายชุมชนชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นเป็นอาหารการกินหรือว่าเอาไปขายอย่างอื่นอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะหรือว่าเราเห็นบางทีคนที่ทำดีอุทิศตนให้กับสังคมด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่นะ ก็มีคนชื่นชมมีคนยกย่องกันไปทั่วแต่ก็มีอ่ะบางคนก็ไปคิดว่าไปเสียเวลาทาทาไมมันไม่ใช่ประโยชน์ที่เราจะได้รับโดยตรงมันไม่เห็นได้เงินได้ทองไม่ได้สิ่งของเข้ามาเลยแต่จริงนั้นคิดแบบนั้นก็คือคิดแบบเห็นแก่ตัวนะหรือคิดเฉพาะเห็นประโยชน์ข้างหน้าแต่คนพวกนี้เขาคิดถึง ประโยชน์ที่เป็นต่อสังคมนะต่อชุมชนแล้วก็เป็นประโยชน์ที่ไม่ได้หวังว่าเราจะต้องได้อะไรการที่เราทำแบบนี้แหละนะไม่ว่าจะการเสียสละเป็นจิตอาสาหรือว่าเราทำประโยชน์ให้กับวัดกับวานะซึ่งที่จริงอย่างเราสร้างวัดเราทำอะไรให้กับวัดนะมันก็ไม่ได้จะเป็นสมบัติเป็นมรดกตกทอดถึงลูกถึงหลานเราเนาะ ม, มันก็ถ้าเราคิดเนะี่ยเราทําประโยชน์ให้กับศาสนาเราไม่ทําเพื่อจะเอาว่าอันนี้มันต้องเป็นของของเรานะก็ไม่ได้ทําว่าคิดว่าอันนี้คือคือวัดคืออาสมของเรานะถ้าเราทําก็ทําเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับศาสนานะเราจะอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเราก็ไม่รู้นะแต่ อาสมหรือว่าวัดเนี่ยมันจะยืดยืนยาวกว่าเราเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นสาธนสถานหรือว่าเป็นประโยชน์ในการที่ได้คนมามาทําความดีได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ที่ ถ, ถ้าตีเป็นมูลค่าเงินอาจจะไม่ได้แต่ถ้าตีเป็นมูลค่าของจิตใจเนี่ย ให้คนเข้าถึงความสุขความสงบเนะี่ยความละความเห็นแก่ตัวได้เนะี่ยละตัวตนได้เนะี่ยก็เป็นประโยชน์ที่สูงเนะี่ยอันนี้คือพวกเราทุกท่านก็ทําอยู่แล้วเนาะนะทำประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังฆหรือทำประโยชน์ต่อโลกนี้เนะี่ยไม่ว่าจะโดยทางตรงโดยทางอ้อมอันนี้ก็คือเราก็พยายามทําให้ มากนะทําแบบไม่ได้วางว่าเราจะได้อะไรมันจะเป็นของของเราหรือไม่เนะนี่ยเรียกว่าเป็นการทําแบบเสียสละนะทําแบบระตัวตนเนะี่ยทําความดีโดยที่ไม่ต้องไปยึดว่ามันต้องเป็นของของเราเนะี่ยนี่คือเราก็ทําตรงนี้เนะี่ยอันนี้คืออย่างที่สามเนาะนอกจากเราทําอย่างที่สองทำความดีต่อบุคคลนะ โดยเฉพาะแล้วนี่เราก็อย่างที่ผานี่ทําความดีอย่างไม่เลือกบุคคลนะอทํากับชุมชนทํากับสังฆะทํากับโรคอะไรเนะนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเป็นันที่กินมันก็เป็นหลักรับประกันอย่างหนึ่งในชีวิตเรานะเมื่อเราทําดีเมื่อเราช่วยเหลือชุมชนเป็นประโยชน์นคนก็เห็นเมื่อถึงคราวเรามีปัญหา อะไรคนก็จะมาช่วยเหลือเราเองมาลนะแต่มีอย่างหนึ่งที่สําคัญสูงสุดนะคือเราต้องมอบมอบใจเราเลยนะมอบใจให้กับพระธรรมนะมอบใจเราให้กับธรรมะไปเลยนะแล้วแต่ว่าธรรมะจะจัดสัรอย่างไรนยะให้กับชีวิตนี้นะ คือจะเรียกว่าวางใจไว้กับพระธรรมนะเมื่อเราทําตัวให้เป็นประโยชน์ทําตัวให้เป็นคนดีทําตัวประพฤตินะถูกต้องตามคํารองทองคำแล้วเราก็มอบทุกอย่างนะให้กับพระธรรมเลยนะเพราะธรรมะเป็นตัวที่เที่ยงแท้เป็นตัวที่เป็นความจริง เมื่อทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีเมื่อทำกรรมชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วกรรมดีส่งผลเราก็ไม่หลงไหลเราก็ไม่เพลิเพลินกรรมชั่วส่งผลเราก็ไม่โวยวายเราก็ไม่ไปโทษโชคชะตาแต่เพราะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเนี่ยที่กรรมหรือว่าทำเนี่ย ได้ส่งผลกับชีวิตเราแต่ถ้าเรามอบมอบใจเราให้กับพระธรรมนะอะไรจะเกิดขึ้นนกะับชีวิตนี้เราก็มองเป็นธรรมทั้งหมดนั่นแหละเป็นธรรมที่ที่สอนใจเราได้ทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่ว่าจะลาบลื่นนะไม่ว่าจะมีคนช่วยเหลือหรือไม่มีคนช่วยเหลือ ถ้าใจเรามอบให้กับพระธรรมแล้วมันจะมีทุกซ้อนใจนะมันจะอือะไรก็ได้นะเกิดขึ้นคนะือยกตัว อ, อย่างง่ายๆนะเช่นหลายท่านก็คือตั้งใจจะเป็นนักบวชนะหรือบางคนก็ตั้งใจที่จะบวชนะตลอดชีวิตเลยนะเรามอบใจไว้กับพระธรรมนะเราวางใจเลยว่าอย่างเช่นเราเจ็บป่วยขึ้นมา ารรักษาพยาบาลเนี่ยอย่างสิทธิอย่างคนไทยทั่วไปเนาะสิทธิบัตรทองเลยนยก็รักษาได้ตามโรงพยาบาลรัฐทั่วไปแต่เรื่องยาเรื่องห้องเรื่องอะไอต่างๆก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดเนาะแต่ก็คือถือว่ามีใจเรามอบให้กับพระธรรมมอบให้กับกรรมจัดสรร จะรักษาแบบไหนแล้วก็ยินดีนะจะมีห้องพิเศษหรือไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ได้ยาแบบไหนก็ไม่เป็นไรนะตามที่มันเหตุปัจจัยมันทําได้ไม่ต้องไปคิดกังวลว่าต้องเอาที่ดีที่สุดเท่านั้นเนะียอย่างเช่นการรักษาพยาบาลเมื่อเรามอบให้กับพระธรรมจะรักษาแบบไหนอยู่โรงพยาบาลก็ได้หรือว่า รักษาตามมีตามเกิดแบบสมุนไพรแบบทางเลือกก็แล้วแต่เราก็ยินดีทั้งนั้นเพราะว่าเราเห็นว่ามันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะตามเหตุตามปัจจัยที่ทำได้ถ้าเราแบบวางใจว่าตั้งแต่ขั้นต่าสุดขึ้นไปถ้ามันได้มากกว่านั้นพิเศษกว่านั้นก็ถือว่าเป็นเหมือน ของแถมเป็นโบนัสนะจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ก็ได้เนะี่ยไม่เป็นไรนะถ้าใจเราวางแบบนี้นะจะมีคนมาช่วยเหลือเราก็ได้ไม่มีคนมาช่วยเหลือเราก็ได้นะเราก็อยู่ของเราเองนะเหมือนพระนะชีวิตพระจริงๆอย่างบางทีท่านก็ยินดีนะอยู่ในป่านะอยู่ในเขาเจ็บป่วย ก็ช่วยเหลือตัวเองเท่าที่อยุดยามนะีบางขณะมันก็ไม่สามารถที่จะไปหาหมอหาอะไรได้หลายท่านก็เลือกที่จะนี่แหละอยู่กับโรคไฟไข้เจ็บรักษาตัวเท่าที่รักษาได้หรือรักษาไม่ได้ก็ตายในป่าตอนนั้นแหละนะก็ไม่เป็นไรชีวิตนี้ถือว่าได้ทำดีแล้วถือว่าได้ทำความเพียรแล้ว หรืออย่างหนึ่งก็มองมองความเจ็บไข้ได้ป่วยพวกนั้นนะความหรือมองความไม่สะดวกสบายนั่นแหละนะมาเป็นตัวสอนธรรมะนะให้เห็นความไม่เที่ยงนะให้เห็นความเป็นทุกข์ให้เห็นความไม่ใช่ตัวตนนะที่มันเกิดขึ้นกับลูกกับนามนั้นนะนี่คือเรามอบถ้าเรามอบใจนะให้กับพระธรรมนะ อะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็ไม่โวยวายเราก็ไม่ทุกข์ใจนะเราก็อยู่ไดนะ้ในทุกสถานการณ์อันนี้คือการคือหลักในการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจนะที่ดีนะนะมันก็มีทั้งส่วนภายนอกนะถ้าอยากเป็นคราวาสก็พอเตรียมได้นะเตรียมรับสินเงินทองเตรียม ของใช้ยาข้าวที่จําเป็นบ้างแต่เป็นพระการไปเตรียมแบบนั้นก็คงเป็นภาระเี่เป็นภาระแล้วก็มันก็คงไม่ใช่วิสัยของสมณะเราแต่สิ่งที่เราก็เตรียมได้เนี่ยก็คือส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่นี่แหละเนี่ยเป็นส่วนของการเตรียมในการทําความดีในการเทริดแตะ แล้วก็เป็นการละความยึดติดต่างๆนะมอบทุกอย่างให้กับพรนะธรรมหรือจะเรียกอีกอย่างว่าให้ธรรมะจะัดสรรก็ไดนะ้ให้ธรรมะจะัดสรรจะจัดสรรอย่างไรก็ไม่เป็นไรนะถ้าเรามอบใจแบบนี้นะมันก็จะเรียกว่ามันก็ช่วยให้เราไม่กังวลในอนาคตนะอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นมาเราเตรียมใจไว้แล้ว นะอะไรจะเกิดขึ้นนะเราก็ยอมรับไดนะ้เพราะว่าที่จริงปัญหาความทุกข์ก็คือเราไม่ยอมรับความจริงนะั่นแหละคนที่ทุกข์ก็คือไม่ยอมรับความจริงนะแต่ถ้าเราเตรียมใจเราเผื่อใจไว้เนะี่ยความจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตอะไรก็แล้วแต่เราก็ยอมรับนะเมื่อจิตมันยอมรับนะมันก็คือ จิตที่มันไม่ทุกข์นะแต่มันก็ใช้เหตุปัจจัยเท่าที่มีนะในการรักษาในการดูแลร่างกายเนาะแล้วก็ใช้เหตุปัจจัยที่มีนั่นแหละนะในการฝึกใจให้มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆด้วยบางทีเราก็ยอมรับได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดนะแล้วก็ใช้เหตุปัจจัยตอนนั้นแหละนะมาเป็นตัวฝึกให้ เราเข้าใจธรรมะให้สูงขึ้นไปด้วยเนี่ยก็คือวิถีของของผู้ประพฤติธรรมเนาะไม่ว่าเราจะเป็นพระก็ดีหรือว่าเราจะเป็นเอคารวะที่มาประพฤติธรรมก็ดีแต่ถ้าเราถือว่าเราตั้งใจที่จะมีชีวิตอย่างเป็นผู้ประพฤติธรรม เ, เอาธรรมะเป็นที่พึ่งเอาธรรมะเป็นหลักยึดในใจ เราเคารพ ธ, ธรรมเนะี่ยเนะีก็อยากให้เราทําเช่นนี้ไม่ว่าเราจะมีชีวิตนะอยู่ในเพศใดก็แล้วแต่ถ้าเราเคารพ ธ, ธรรมนะเราก็ควรมอบกายมอบใจเราให้กับพระ ธ, ธรรมไปเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตนะี่ก็มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่งดงามแล้วนะเพราะว่าเราจะ เห็นว่าชีวิตเราที่ผ่านมาถ้าเรามอบให้กับพระธรรมเราประพฤติธรรมเนี่ยมันก็จะไม่ทำอะไรเสียหายนะเราก็จะมีศีล น, นะศีลเราก็จะรักษานะกายวาจาเราก็ปกตินะสิ่งที่เป็นความดีเราก็ทำนะเท่าที่ทำได้หรือว่าเราก็ทำเป็นที่ ในส่วนหนึ่งคือเราก็มีการฝึกใจนะพร้อมที่จะยอมรับกับทุกอย่างที่เป็นไปในชีวิตนี่แหะนะการฝึกใจก็คือน่แหละฝึกให้เกิดเนกะิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาในชีวิตของเรานะเพราะว่าถ้าถ้าเรามีสติมีปัญญาเราก็จะมองทุกอย่างมันเป็นธรรมะทั้งนั้นนะมันเป็นธรรมชาตินะ มันเป็นเรื่องของรูปรนะ่างกายมันเป็นรูปมันเป็นธาตนะุมันเป็นเรื่องของธาตนะุที่มันความเจ็บไข้ได้ปวยก็คือธาตุที่มันเปลี่ยนแปลงนะนะบางขณะธาตุดมมันมากเกินไปนะบางขณะธาตุไฟมันมากเกินไปบางขณะน้ำมันมากเกินไปบางขณะดินมันมากเกินไปนะ คือมันเกิดความไม่สมดุลของธาตนะุแต่จริงมันก็เราก็ใช้ยาใช้การรักษาเพื่อปรับธาตนะุแต่บางทีมันก็ปรับไม่ได้มันก็เลยเจ็บหนักมันก็เลยตายมันก็เป็นเรื่องของธาตุที่เราก็คืนกลับไปสู่โลกนี้เท่านั้นนะหรือการเกิดเวทนาเกิดสัญญาสังขารวิญญาณนะมันก็เป็นเรื่องของ นามธรรมมันก็เป็นเรื่องของขันในเ่ินของนามธรรมซึ่งเมื่อเราเป็นมนุษย์ยังไม่ตายมันก็ต้องมีมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีเฉยมีสัญญาจำได้ไหมรู้เรื่องราวต่างๆมีการนึกคิดมีสังขารปรุงแต่ง มีการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือเป็นพระอราหันต์ก็ย่อมมีขันทั้งห้าหรือขันโดยเพราะขันสี่ขันที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันก็ทำงานของมันตลอดเวลานะแต่มันต่างตัวที่ปัญญาในการเห็นว่าเนี่ยพระอริยเจ้าท่านเห็นว่า ขันทั้งห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ปุถุชนเห็นว่าขันพวกนั้นน่ะมันเป็นตัวเป็นตนนทุกข์เพราะความไม่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนนกับไม่ทุกข์เพราะว่าไม่ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนนี่แหละมันก็ต่างกันที่ตรงนี้ยคือตัวปัญญาเนาะให้เราพยายามฝึกสติปัญญาให้เข้าใจความจริงขึ้นี้แหละเราก็จะยิ่งเขาลบพฤตธรรมมากขึ้นเรื่อยๆว่าโอ้ธรรมะนี่ คือความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้มันเป็นความจริงแท้ยิ่งเราเข้าถึงธรรมมา ก, กเท่าใดเรายิ่งเขารลบพระ ธ, ธรรมเรายิ่งมอบกายมอบใจกับพระธรรมเรายิ่งอุทิศชีวิตนี้ใ น, นีให้เป็นประโยชน์ต่อพระธรรมนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็แล้วแต่นะถ้ากายวาจาของเราส่วนใดใช้เป็นประโยชน์ ที่เป็นการพัฒนาธรรมในใจของเราเองก็ดีหรือว่าให้คนอื่นเขามีธรรมเป็นที่พึ่งก็ดีเนะี่ยแล้วก็เต็มใจที่จะทำเนาะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเรามอบใจให้กับพระธรรมนะเราก็ชีวิตเราก็จะมีธรรมนาพาแล้วก็ชีวิตเราก็จะมีธรรมคุบครองนะอย่างที่เราได้สวดว่าผู้ประพฤติธรรมนะย่อม ทำย่อมรักษาผู้ประทุษทำเป็นนิดเนึ่ยแหละก็ฝากไว้ในชาาวันนี้